เขาบอกว่าในถ้าเรียนเนติเนี่ยเขาจะมีให้วิธีคิดแบบพลิกตลอดถ้าแสดงฝ่ายดำอยู่เราต้องคิดฝ่ายขาวไว้ถ้าแสดงฝ่ายขาวอยู่เราต้องคิดฝ่ายดำไว้นี้นเรียกว่าอาวัตตหาระเนี่ยนะ ก, ก็การมองพยันชนะนะต้องมองในแง่ตรงกันข้ามไม้ตลอดแล้งก็ถ้าก็บอกว่าถ้ารู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงและอวิชชาได้ถ้าเห็นว่าเที่ยงละ่ะ วิชามันก็ไม่เกิดอวิชามก็เกิดแทนนะ่นนะก็ลักษณะนั้นนั่นเองนะบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรวบจากส่วิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยนะทั้งสมเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นนทนะวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เหมือนกัน รู้เห็นว่าใจไม่เที่ยงทำมรรมไม่เที่ยงมโนววญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมอันแสดงว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้มาไขาครวนแบบนี้เลยก็จเจริญ วิชาตลอดใช่ไหมถ้าจเจริญอย่างนี้ก็วิชาก็เกิดบ้าง น, นะแล้วก็มาถามเป็นเรียกว่าวัดผลในเชิงปฏิบัติการคุณมาโชูกี่รอบแล้ววันนี้น อ, อ๋อเป็นช่วงๆกันนะ ก, ก, ก็ดีแล้วเนี่ยแสดงว่าหลายรอบเหมือนกันนะเป็นช่วงๆบ้งกันอย่างนี้มาใช่าวัานนี้พึ่งนึกได้ด ท, ที่ถามเมื่อกี้นี่อะไรงั้นอะไรนี่แย่เลยสงสารคนพูดเลยอะ่ะ นั้นก็สรุปว่าการเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นจึงเป็นวิชานะถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นอวิชาไปเนี่นทีนี้ถ้าฟังดูเพินเินะวะถ้าเห็นว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นวิชายังไงเอามันเป็นวิชายังไงถ้ารู้เออมันไม่เที่ยงไ ง, ง ก็เหมือนกับตั้งคําถามมาเอางั้นก็เราก็มานั่งคิดกันเล่นๆไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เป็นวิชาแล้วสิถ้าคิดอย่างเนี้นะเป็นวิชาอย่างไงคะนี่เหนนีคือวิชาในในคำว่าวิชาในที่เนี้หมายถึงเห็นอริยสัจนะไม่ใช่มองแค่วิชาแค่แค่ว่าเออรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วพอเนี่ยนะเพราะคำสอนนี่ก็จบลงที่การประกาศอริยสัจอยู่แล้ว แล้วก็บอกว่าถ้ารู้เห็นว่าจากักรุไม่เที่ยงอันนี้เป็นการประกาศอะไรประกาศทุกขสัตว์ใช่ั้มบอกว่าเมื่อรู้เห็นว่าจากักรุไม่เที่ยงเนี่ยะละอวิชา วิชาเกิดเนี่ยเป็นกี่สัจจะเนี่ยนะการละสมุทัยอ่ะนะก็เท่ากับเป็นนิโรธศัตดยธรรมชาติ ถ้าสมุทัยเกิดไม่แทงตลอดนิโรธถ้าแทงตลอดนิโรธละสมุทยัยมันจะอยู่อย่างนีน้มันแล้วแต่จะกลับกันเพราะว่าอันนี้วะะัฏฏะอนนี้นิวะะัฏะเนี่ยนะอันนี้เม้นมัคเนีย่ยนะงนั้นถ้าเป็นในสำนวนคาถาธรรมบทก็คือเมื่อเห็นสิ่งเนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะ ปกตินะเห็นจากสู่ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงหรือเห็นขันทั้งมวลเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงจะต้องนิพพิธาในสิ่งนี้ น, น, นะนะเบื่อหน่าย น, น, นะผู้ที่มากไปด้วยความเบื่อหน่ายอย่างนี้นะจะบริบูรณ์ด้วยสัตทินรีนะ น, นะสัตทินรียนี่มีกําลังผู้ที่เจริญอย่างนี้นะก็เป็นผู้อบรมมากไปด้วยฉันทะสมาธิประทานสังขาร ก็เป็นเหตุให้แทงตลอดอารยมรรคแล้วไอ้ตัวที่เห็นว่าไม่เที่ยงมีชื่อว่าทั่วๆไปนะชื่ออนิจจานุปัสนาอันิจานุปัสนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เฉเพราะถ้าอันนี้เป็นอารยมรรคนะจะเป็นอานิมิตตมรรคนิโรธที่แทงตลอดอันนี้จะเรียกว่าอานิมิตตะนิโรธ แล้วก็มีสูตรของเขาให้เห็นมองให้เห็นเป็นอริยสัตว์นั่นเองอไม่เห็นเป็นอริยสัต์นะั่ก็โอ้โหฟังเพลินไปตั้งยี่สบสูตรอันน้ก็คูณอย่างเงี้ยสามสิบเข้าไปเป็นสูตรที่อาจารย์แสดงวนีมีชื่อครับมีไม่ได้บอกชื่อสูตรก็คือคำว่าไม่เที่ยงอะไรชื่ อ, อนี่จะสูตรอย่างเงี้ย หรือว่าถ้าความรู้ก็บอกเออวิชาสูตรยังไง นี่มาขึ้นสูตรต่อไปเลยนะปฐมสังโยชนะสูตรภิกษุรูปหนึ่งมาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละสังโยดได้นะพระองค์ตรัสว่าดูความภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุดโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละสังโยดได้นะบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปจากโสเวิย ญ, ญาณภาษะเวทนานานะ ที่เกิดจากจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละสังโยชดได้โดยเฉพาะมานะสังโยดเนี่ยละตรงตรงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละมานะได้อันนี้ตรงตรงเลยนะแต่ถ้าโดยอ้อมก็คือถ้าละมานะก็แปลว่าละตันหาทละตันหาด้วยก็เท่ากับละโทสาระริสยาละอย่างอื่นไปอีกหมด <c oughs> นะนะงั้นการตามเห็นโดยสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างถูกต้องแท้จริงเนี่ยละสังโยดได้ เพราะอะไรเพราะว่าสังโยชน์มันเกิดนะมันอาศัยพวกเนี้เกิดเฉะนั้นถ้าไปกําจัดถ้าไปรู้ความจริงในความเป็นของไม่เที่ยงะนะถ้าทําไม่เที่ยงอันนี้พอเป็นตัวอย่างไหมเป็นทุกเป็นอนัตตาเท่ากับสแสดงแล้วนะถ้าไม่เที่ยงสแสดงนะเป็นทุกเป็นอนัตตาเท่ากับสแสดงแล้วเบื่อหน่ายเป็นต้นเท่ากับแสดงไปเสร็จหมดแล้วนะนะก็สะแสดงแค่ว่าบอกไว้อย่างเดียวว่าไม่เที่ยงนะนะนะก็เป็นใช้ได้แล้ว พันผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้แหละจึงจะละสังโยชน์ได้ <c oughs> สังโยชน์แปลว่าเครื่องประกอบนะเครื่องประกอบเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดนะนะเรื่องร้อยรัดผูกมัดเอาไว้ในสิ่งเ่านี้นี่แหละพี่สวยรูปหนึ่งมาถามว่าเมื่อบุคคลรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรสังโยชน์จึงถึงความเพิบถอน ถอนสังโยชน์ได้ยังไงปองก็บอกว่าเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจากสูตรโดยความเป็นอนัตตาสังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอนเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปจากส่วนเวี ญ, ญาณจากส่สัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากส่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาสังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน ะนะทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เหมือนกันจะ <c oughs> เห็นใจธรรมรมมโนวิญญาณมโนสัมผัสสุขเวทนาทุกขวเวทนาหรืออทุก ข, ข์มสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาสังโยชน์จะถึงความเพิกถอนดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลสังโยชน์จะถึงความเพิกถอนอะนะเนี่ยถอนสังโยชน์ได้เลยนะถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตา ก็อย่าลืมนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาหรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาซึ่งบุคคลไม่สามารถบอกว่าอย่าแก่ยาสิ้นไปนะอย่าเสื่อมอย่าคลายอย่าดับอย่าแปรปรวนก็เป็นไปไม่ได้นั่นแหละผมสงสัยว่าพี่ บางแห่งเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องอบรรลุโดยโดยพิจารณาขันธ์ห้าโดยความเป็นอนัตตาให้ความสําคัญมากเลยแต่ไม่เที่ยงเป็นทุก์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเลยแปลกคือทำไมจึงต้องไปถึงตึ้นตัวนัตตาทั้งท่างที่ถ้าไม่รู้เรื่องไม่เที่ยงไม่เรื่องเรื่องเป็นทุกเนี่นะจะไปลวหน้าตาได้อย่างไรจะเป็นสํานักที่มากไปด้วยปัญญาก็ได้ไม่มีแต่เวทอย่างเดียวนะมากไปด้วยเวทคือความรู้ว่างั้นเลย ก็ผลผลที่วัดอะนะผลเป็นเครื่องวัดนะการประกาศหรือการแสดงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะต้องไม่ลืมมาวาดปาติโมกนะมาเคืรนว่าไปยังไงสัพปาปัสสะการณังอะนะถ้ารู้เห็นอย่างนี้ต้องไม่ทําบัตอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อสองอะนะสัจจิตตะเอ่อไม่ใช่กุศลสู้ประสัมปทานเะนี่ยนะกุศลต้องบริบูรณ์มากยิ่งยขึ้นไปสัจจิตตะประโยชน์ถานังอะนะชำระจิตของตนให้ปราศจากอาสวะกิเลส เป็นจิตที่ขาวรอบหมายถึงอรหัตผลจิตได้นุ่นแหะจึงจะเชื่อว่าปฏิบัติตามสูตรนี้จริงเนีย่ยนะแต่ถ้าขึ้นอนัตตาแล้วก็บาปเท่าเดิมเนีย่ยนะกุศลไม่เจริญขึ้นจิตก็เศร้าหมองตามเดิมก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นุ่นนะก็แสดงว่าการแสดงอนัตตาที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์คือการประกาศถึงขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะการประกาศแบบนี้จุดประสงค์เพื่อต้องการเพื่อถอนกิเลส เ, นะเพื่อต้องการละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมทีนี้ถ้าเพิกถอนสมุทัยสัตว์แสดงว่าเพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะมรรคนี้เป็นอธิปไตยะเนี่ยนะอธิปไตยะอุปมาเหมือนตระกูลที่บริบูรณ์ไปด้วยโภคะเนี่ยเพราะผู้ที่เจริญอริยมรรคนี้จะบริบูรณ์ไปด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเท่ากับสัตถินรีวิริยินสีสตินรีสมาธินรีเนี่ยงอกงามไพ่บูร อนสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินทรพละโพชฌงอริยมักมีองแปดก็เจริญบริบูรณ์กุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าถ้ารู้ทุกขักร์โดยความเป็นอนัตตาอย่างอย่างแท้จริงถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องละ่ะเออมันอนัตตาแล้วก็ถ้าโลภะเกิดอนัตตาอีกโทสะเกิดก็อนัตตาอีกนั่นแหละโมหะเกิดก็อนัตตา จริงไหมจริงตกนรกด้วยจะอนัตตาอีกเหมือนกันเพราะจริงๆมันก็ไม่มีอัตตาอยู่แล้วใช่ไหมว่าโดยจริงๆอ่ะนะไม่มีอัตตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนรกเปรตอสุรกายสาตัตว์เดรัจฉานทำบาปบาปให้ผลผ ล, ผลเป็นทุกข์ร้องให้น้ําตาไหลเป็นต้นพวกนี้นะอนัตตาหมดแหะนะแต่ว่าอย่าลืมว่าการการแสดงอนาัตตก็จุดประสงค์อ่ะนะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งนี่ยนะนะคือวัตถุของคำวัตถุประสงค์ของพระผู้มีพระภาคอ่ะนะ เพื่อให้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้เพื่อให้ละสิ่งที่ควรละเพื่อให้เจเอ่อให้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรทำให้เจริญอันนี้จึงจะเป็นวัตถุ ป, ประสงค์นนะ <c oughs> มันถ้ารู้รู้เห็นถูกต้องจริงๆอ่ะนะต้องเพิกถอนสังโย์ได้ แต่อย่าลืมว่าธรรมะของผ้าอาริยะนะพอมายุคหลังๆก็เป็นของปุตุชนไปเรียบร้อยแล้วนั่นบางแห่งนั่นกล่าวว่าธรรมะที่บริสุทธิ์เนี่ยนะถ้ายังอยู่กับผ้าอาริยะก็เป็นของบริสุทธิ์แต่ถ้าปุตุชนมาเสียเลยนเอปุตุชนเนี่ยเอามาทำถ้าเสียหายหมดนะจริงนะเพราะว่าธาตุดินธาตุน้ำไม่ได้ทำให้ถ้าทำอันตรายอะไรหรอกที่พองตรัสนะ ปัทวีธาตุอาโปธาตุไม่ได้ทําให้สัตว์ทำเสื่อมรองฝหมืนกันอีกสูตรหนึ่งนะเปลี่ยนสังโยชตเป็นอาสวะนะบว่ า, วาบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะละอาสวะได้อาสวะนี่ละได้ยังไงอาสวะนี่แปลว่าเครื่องเศร้าเอ่อเครื่องหมักดองอ่ะนะบางทีเขบอกว่าเครื่องหมักดองหรือบางทีแปลว่าไหลไปก็ได้ไหลเนี่ยไหลไปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างหนึ่งหรือ โดยธรรมะเนี่ยไหลถึงโคตรภูโดยภพเนี่ยไหลถึงภวกระพรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาสวะเนี่ยแปลว่าไหลหรือแปลว่าเครื่องหมักดองมันนมนานเต็มทีก็ได้นานแค่ไหนอนานจนเห็นปป๊บชอบเลยเห็นแป๊บชอบชังเลยอย่างนั้นนะคือว่ามันหมักมานานขนาดนั้นนะชํหมักมานานจนจนคล่องแคล่วนะถ้าเป็นนี้ก็ซ้อมมาโอ้ชํานาญมากาะะนั้นก็เลยเรียกว่าอาสวะ นี่อาสวะเนี่ยจะละได้ก็รู้เห็นยังไงรู้เห็นจากสุเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงไม่เที่ยงกับตายเนี่ยเหมือนกันนะไม่ต่างกันนะ s, รู้เห็นว่าเออเนี่ยตายเนีย่ยเขาบอกวิธีเจริญนะถ้าถ้าใครเจริญไม่เที่ยงไม่เป็นเนี่ยก็นั่งนึ ก, ก น, นะเออเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินไปสู่ความตายกันหมดเลยอย่างนะ น, นั่งรอกเดินไปสู่ความตายนะจะ ก, กล่าวไปแล้วนั่งอ่ะถ้านั่งไม่ไม่ไปสู่ความตาย ไมใช่ก็นั่งรอความตายอีกนั่นแหละเอ้าเมื่อยนอนแล้ก็นอนรอความตายอีกนั่นแหละลุกขึ้นยืนซะเอาก็ยืนเพื่อจะไปตายอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ไปหาความตายกันหมดนะขับรถเรียบไปไม่ได้แช่งนะแต่จริงๆก็คือเรียบไปตายอยีกเหมือนกันอย่างนันเอาหยุดยืนนะก็นั่งรอความตายกันนะสรุปแเดินไปหาที่ตายกันหมดอ่นะแต่ถ้าเรามองแบบแบบรวมๆเลยนะเขา ก็มีไฟป่าไฟเนี่ยไหม้ป่าแล้วมันก็ไล่ต้อนสัตว์เนี่ยนะสมมุติว่าสัตว์เนี่ยปริมาณเป็นพันพเป็นล้านตัวเนี่ยมันก็ไปเดินไปนะทีนี้สัตว์มันก็เดินแล้วมันก็เหยียบกันตายไปเรื่อยใช่ไหมมันก็เหยียบกันตายไปเรื่อยไฟมันก็ต้อนตามไปเรื่อยเรื่อยรื่จริงอ่ะมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันก็ไหลมาหาความตายกันไปเรื่อยปริมาณของมนุษย์โลกเนี่ยร่วม6กพันล้านเนี่ยนะตายว่าละกี่ว่าละกี่คนดี นั่นนะวันนั้เท่าไหร่จานินั่นนะก็เอา7จาปีคูณจำวนวนะวนะันนั่นนะนล้านนั่นแหละนั่นก็คนในร่วมหกพันล้านนะนะก็ไม่รู้แล้ว75ปีมันตาไปหก0 0 0ล้านะ <c oughs> สรุปสรุปเธอทุกวินาทีตายหมดทุกวินาทีนะจุติตลอดเลย75ปีนะตาหก0 0 0ล้าน ไม่เหลือเลยห่นนยหลยยแลห้วใรได้คะปีไห น, ในแล้วแล้วไอ้ที่ไม่ถึงไง น, นะนะเพราะ ว, ว่าทุกวินาทีนะไม่มีสัตว์ที่ไม่จุติปฏิสนธิอ่า ง, งั้นเถอะทุกวินาทีนะจุติหมดเลยออที่เห็น น, น, ห น, นี่ยนะ สัตว์นีจุติทุกๆวินาทีแล้วถ้าถ้ามองในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยโอ้โหไม่วาดไม่ไหวเพราะฉะนั้นแปลว่าทุกคนไปหาที่ตายก็ไม่ได้ผิดอะไรไปรอความตายหรือหรือพูดอีกหนหนึ่งก็ไปไปหาที่เกิดอีกน ะ, ะ, นะะ ก, ก็ตกนะนะก็แค่นั้นแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งนาทีอะไร ก็ไม่ไม่ใช่น้อยนะวัดเนี่ยจะเผาเกือบทั่วประเทศในในเวลาเดียวกันเนี่ยนะเผาไม่รู้กี่วัดต่อกี่วัดนะเฉพาะประเทศไทยนะแล้วประเทศอื่นๆอีกนะในโลกเนี่ยนะแล้วไอ้ที่สงฆามมันยิงกันตายเรือนหมื่นเรือนแสนนั้ต่างหากเนี่ยนะเฉพาะตายธรรมดาเอกที่ไม่เปิดเผยข่าวมาเอกําตายเท่าไหร่นีแล้วตายโดยเฉพาะกลุ่มตายในคันเนี่ยอันนี้ปริมาณที่มากนีนะที่ที่เขาไม่เรียกว่าสัตว์เนี่ยนะ ที่ตายในในปริมาณคันเนี่ยอันนี้ตายเป็นปกติเลยที่อยู่ในคันตายเนี่ยอันนี้ปริมาณมากจริงๆงนะเนี่ยแล้ว <c oughs> ก็คลอดมาจากคันแล้วก็ตายอีกกันไหมสรุปว่าเอาจนตายหมดอะไม่ให้เหลือหรอกเก <c oughs> ิดเท่าไหร่ก็ตายเกินมีไหขาดก็ไม่มีอีกนั่นแนหะตายพอดีกับเท่าที่เกิดเลยนะเป๊ะอีกนะเนีน มันก็เป็นอย่างเงี้นะถ้ามันเจริญแบบนี้บ่อยๆนะถามว่าจะเบื่อนหน่ายในอุปาทานขันห้ามมากขึ้นไหมคือสมัยก่อนเขาใช้คําว่าไม่เที่ยงอะ่ะเขามาคิดแบบนี้นี่แหละเนีย่ยนะคือไม่ใช่ว่าเข้าไม่มานั่งเออไม่เที่ยงไม่เที่ยงเออใช่มันไม่ใช่กลางวันอะเพราะไอ้คำว่าเที่ยงของเราคิดถึงแค่น่นแหละกลางวันอะนะได้อาหารเที่ยงอีกแล้วอย่างเงี้ยมันไม่คิดเลยธรรมดามันไม่เที่ยงเออใช่มันก็ยังไม่เที่ยงจริงๆหรือ อ, อาจจะบ่ายมาแล้วใช่ไหมก็เลยคิดเป็นเรื่องอื่นไปเลยนี้แย่เลย แต่ไอ้ไม่เที่ยงของโบราณนี่เขาฟังแล้วเขาสังเวชเลยนะฟังแล้วก็ใช่อุปาทานขันห้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเิงเยนะเป็นของที่ไม่น่ารื่นรมเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินจริงๆคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าถ้าเป็นเป็นการสอนบอกว่าเอออย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการคิดการนึกนะมันยังไม่ได้เห็นสภาวธรรมจริงๆแล้วนะไอ้การคิดการนึกเนี่ยมันมีผลต่อต่อทาให้การ นิพพิธาแค่ไหนเใหอเดือนนายเห็นโทษแค่ไหนตรงนี้มีผลแน่นอนคิดอย่างนี้ต้องมีผลแน่นอนคือท่าทิศพวกการพูดเมื่อกี้บอกอันนี้ไม่เห็นสภาวะธรรมนะถามว่าสภาวะธรรมมันคืออะไ ร, รนั่นนะเพราะถ้าทุกคนเดินไปสู่ความตายอันนี้ไม่ใช่สภาวะธรรมหรือเอาเกิดแล้วมันป่วยมันก็ป่วยจริงๆอะ่ะก็ไม่ใช่สภาวะหรือใช่ไหมปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นอนไม่หลับชรามัน ก, ก็สภาวะอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งการกล่าวถึงว่าสัตว์ทั้งหลายตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือเกิดเป็นธรรมดา น, นั้นก็เป็นสภาวะทีนี้คําว่าสภาวะเนี่ยอันนี้รู้ด้วยด้วยปัญญามันไม่ใช่ว่าเอาต้องเอากล้องไปตามส่องหรือว่าโอ้โหใครตายจะต้องเอาแบบทำสติสติไปเที่ยวเก็บดูเออหนี้ตายจริงๆนัอย่างงี้นะซึ่งด้วยปัญญาเนี่ยพวก็ตรัสอยู่แล้วว่าปัญญาอาโลโกเนี่ยนะปัญญาโอภาโอภาโสปัญญาเหมือนเหมือน ตัวที่มันโล่งมันสว่างนะปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาเนี่ยส่องได้หมดแล้วจุดประสงค์จริงๆก็ไม่ได้เพื่อเพื่อไปให้ไปติดไปข้องอะนะเพื่ออะไรเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะว่าจริงๆล่ะถึง ร, รู้อยู่แค่นี้มันก็ไม่พออยู่แล้วเนี่ยนะมัมีอย่างอื่นที่จะต้องไปทําอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยนะนั่นก็ไม่ไม่ต้องสํานวนว่าจะต้องเอาเนี่ยเขบอกว่า10บเขาเรียกว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นจะต้องใช้อันนั้นตพิสูจน์หรือเปล่า บอกว่าสิตาเห็นอีกก็สู้เอาอะไรอีกอนะแล้วแต่จากคิดไป่อีกอนะมือคลำไปคลมถูกหัวงูเห่าเดือดร้อนแน่เงี้ยนะคือการนะตึกอย่างนี้นะอย่างน้อยสุดนะมาตึกเพียงเท่านี้นะก็ยังทำให้เห็นโทษเห็นมีความสลดใจอะไรยังยังเกิดขึ้นได้อยู่นี้นะ แล้วก็ไอ้แบบที่ว่าจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยก็เจริญมาเยอะเหมือนกันนะผมเองก็เจริญมาเยอะนะแต่ก็ยังไม่เคยเป็นในเรื่องของการเบื่อนึกเบื่อบ้างไหมไม่นิดมันเบื่อนานอย่างที่ไปเจอที่มันแปลกมันมันยังไงกันมาเออสภาวะธรรมนี่มันบุกว่ากันมามันเป็นยังไงนึกอยากสัมผัสสภาวะธรรมอันใหม่อีกไงอาจารย์นี่ไปยักหน้านะเออมันเป็นยังไงเป็นสิ่งลึกลับเป็นสิ่งที่โอ้โหมันลึกซึ้งนาดนั้นนะ ถ้าไปเห็นอย่างนั้นแล้วกิเลสหมดบุบเลยอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่เลยไม่ได้พูดถึงความเบื่อหน่ายไม่มีนิพพาไม่เห็นโทษไม่เห็นอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ได้พูดถึงจริงเหล่านั้นเลยนะรอให้วนนนนัั้เียรอให้มันโล่งขึ้นมาเลยนะรอให้มันคือถ้าสังเกตนะถ้าเป็นคนความดันเนี่ยอาจเป็นไปได้ของมาเชื่อเหมือนกันมาอยู่ๆแล้วความดันมันลดกระทันหันใช่ไหมมันขึ้นกระทันหันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้นะอาการปูบปุ๊บบวบบวบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเบียนหัว เป็นดาวอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจเป็นได้แต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อการละกิเลสอะไรเลยอันในส่วนที่สําคัญก็คือรู้เห็นยังไงจึงจะไม่สํานวนนะจึงจะละเครื่องร้อยรัดได้เช่อนอย่างสังโยชนี่รู้คิดยังไงจึงจะละสังโยชน์ได้คิดถึงความไม่เที่ยงคือความไม่แน่นอนความไม่ไม่จรังยั่งยืนทีนี้ถ้าเราเออเราเอามาเอามาคิดนะตึกหลังนี้จะอยู่ได้นานอีกกี่ปี นะถมว่าอ า, อาคารหลังนี้อยู่กี่ปีกําแพงอยู่อีกกี่ปีนะแล้วก็นั่งคิดนะถ้าถ้าเป็นพื้นฐานคนมีความรู้ดีหน่อยใช่ไหมรู้ได้เอาสิ่งที่สร้างด้วยปูนเนี่ยนะทั่วๆไปสักสามสี่สิบปีนี่ก็รอดเร่เต็มทีแล้วนะถ้าสีที่ทานเนี่ยไม่นานเท่าไหร่กันนะสามสี่ปีก็แทบจะทาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วพะงั้นก็จะเห็นว่าโอ้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดใบไม้มันร่วงทุกปีอย่างใบโพนี่ร่วงทุกปีนะ เส่็แล้วคนทุกคนเนี่ยมันก็ตายมาทุกปีอ่ะนะปีที่แล้วช่วงนี้ก็มีคนตายใช่ไหมในกลุ่มเราอ่ะนะกลับมาอีกทีหายไปสองละป้าชมเฉยกับลุงรอดอ่ะนะออกไปแล้วนะนี่ยแล้วคนน่อื่นจะรลืออยู่หรือเนี่ยนะมันก็หมดอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ตายไปนานแล้วเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วน่ะ แล้วก็มีแม่คุณภาตามไปอีกตอนหลังอีกนะมันก็ตายไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเหลือนะมันก็จะตายหมดอยู่แล้วล่ะไม่มีเหลือหรอกทีนี้ถ้าเอามาเรื่องนี้มาคิดนะถ้ายิ่งใครที่มีพื้นฐานความรู้นะหรือผ่านชีวิตมามาก ๆ, ๆเนี่ยนึกถึงคนที่เรารู้จักเนี่ยนะที่ตายไปแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยที่เราเป็นเด็กนะคือคนที่ตายไปแล้วในตอนนี้โดยมากเนียนะผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าเราทบทวนนะรู้จักใครบ้างอะรอบๆ บ, บริเวณพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเนี่ยนะตายหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วตอนนี้นะยุคนั้นนั้น่ะตายหมดแล้วเีเราก็มาคิดอีกอย่างนี้แล้วแล้วกลุ่มเหล่านี้นะมันก็จะทยอยตายไปเรื่อยที่เกิดใหม่ก็เกิดไปที่ตายก็ตายไปค่อยๆทยอยตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยเนี่ยนะทีนี้ความตายเหล่านั้นมันสูญเสียหายอะไรไปบ้างมันอะไรแตกทําลายไปบ้างแล้ววัตถุเหล่านั้นภายในนี้ก็ในยะเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องแตกทําลายไปอยู่แล้วเนยอย่างหนึ่งทีนี้อ้าวไปคิดไปอีกว่า แล้วสิ่งที่จากนี้ไปหาความตายนะมีไหมสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ไม่ชราเลยเห็นความชราก็คือความบกพร่องของหรือความความที่สิ่งเหล่านั้นมันคล้ำคลาเนี่ยนะนะความคล้าคล้าหรือเหมือนแล้วมันอยู่นานนะมันก็คลําคล้าไปนะทุกคนก็คือเดินไปสู่ความค่้าคล้ากันหมดแล้วมีส่วนไหนมั่งที่ไม่รู้จักเสียหายไอความเสียหายของแต่ละส่วนเรียกว่าอาพาธ นะก็เสียหายได้หมดเลยตั้งแต่เนีนะ่ยทั้งร่างกายนะแล้วก็สิ่งเราเานี้มีไหมที่ไม่แตกคำลายมันก็นั่นคือตายแล้วมีไหมสังขารใดอะ่ะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเสียใจนะวก็หมาตายคนยังร้องให้เลยนะมีอะไรมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจไม่มีเนี่ยนะฝนตกคนก็เสียใจแดดออกมีคนที่เสียใจอีกนะั่นแหละกลางคืนคนก็เสียใจกลางวันคนก็เสียใจเนี่ยนะ สรุปแล้วไม่มีอะไรไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเนี่ยนะแล้วไม่มีอะไรไม่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจแม้แต่นิดเดียวนะเหตุการณ์เดียวกันอีกคนดีใจมากอีกคนเนี่ยเสียใจใหญ่เลยนะะในเหตุการณ์เดียวกันนะเรื่องเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเอาสมมุตินะอ้าวมีการแต่งตั้งนายกขึ้นมาไอ้คนดีใจอีกฝั่ ง, งหนึ่งเสียใจแย่เลยนะใช่ไหมอย่าง <c oughs> ทั่วทั่วไปนี่ก็เป็นแบบนี้แหละถ้ามีคนได้อีกคนหนึ่งก็ต้องมีเสียอยู่แล้วเนะนะ นนั่นนอันนี้ก็ทั่วไปจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดแหละอันนี้สิ่งทั้งมวลเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจนี่นะเป็นที่ตั้งแห่งการคับแค้นใจแล้วถามว่ามีวัตถุใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนี่นะสังกิเลสิกะเนี่ยนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองมีวัตถุใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลส เมื่อวัตถุ น, นั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งการเจตนาที่สัมปยุทธ์กับกิเลสเรียกว่าทําบาปนั้นสรุปว่าที่ไหนมันไม่มีสัตว์ทําบาปเลยนะหาดูเถอะที่ที่แคว้นในวัตฏะในภูมิสาม น, นะที่สัตว์ไม่มีอกุศลในวัตถุนั้นอะ่ะไม่มีในโลกเนีย่ยนะถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลหมด <c oughs> นั้นทุกแห่งเนี่ย น, นะจึงมีสัตว์ในอบายอยู่ได้ทุกผลทุกแห่ง โดยที่สุดแม้แต่หมอนรองนอนใช่ไหมมีหมอนรูดใหม่ออกมาที่ปลอดอะไรนะตัวอะไรนะที่ ท, ที่รายฝุ่นนะขนาดหมอนที่เรานอนอยู่ในนั้นอ่ะเท่าไหร่แล้วนะ้อยแล้วพื้นพื้ปูผ้าอะไรทั้งหลายแหละในในผิวหนังในร่างกายในตัวเนี่ยสัตว์มีเท่าไหร่กันแสดงว่าอบายภูมิมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไปหมดเลย ก็คือมีความรู้พออยู่แล้วนี่นะแล้วก็พระพิสูจที่มาถามโดยมากเนี่ยนะเป็นกลุ่มแทบจะเรียกว่าพระเถระสมัยนั้นอยู่แล้วที่ทจะแบบถ้าเป็นใหม่ๆเลยนะที่เป็นพระใหม่เลยอะ่ะจะเข้ามาถึงแล้วจะมาถามอย่างนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าโดยรวมๆนะถ้าเป็นพระพิสูจน์ที่มาขอกรมาถาน ม, มาถามปัญหาเนี่ยโดยมากเป็นพระพิสูจนที่มีพรรษา ม, มากอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถึงไม่มีพรรษา ม, มากคนนั้นต้องฉลาดมากพื้นฐานเนี่ยเป็นคนฉลาดมากอยู่แล้วนี่นะ อย่างพระอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเรื่องความตายก็ดีเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักคำว่าปริญญาก็รู้เสียเถอดนี่แหละคือปริญญาในทุกภาษาแล้ถามไอ้ปริญญาทํำยังไงก็ปริญญาอะไรเป็นเรื่องการตึกตึกไปไหนๆไม่ได้ตึกของเองด้วยตึกไปตามสภาวะทําตามความเจริงแล้วตึกไปตามปริยัติตึกไปตามคําสอนหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คื อ, อ นี่คืออะไรวิปั ส, สนาก็ว่าได้หรือว่าปริญญาก็ได้อะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดเราไปปฏิบัติทําแบบไม่คิดเลยอย่างเงี้ยเราคิดดูที่ว่ามันเป็นเรื่องตรงข้ามของพระพุทิภาคนะเพราะฉั้นมันเป็นเรื่องที่อะไรอ่ะไม่ใช่คําสอนพระเจ้านะลองคิดดูแล้วจันทนระ์ น, นี้เปรียบเที่ยบองแล้วกบ้านแล้วปฏิบัติไหนถูกผิดก็คิดเอาเองดูเอาเองก็แล้วกัน ก็จเจริญไปเยอะๆแล้วถ้ากิเลสมันไม่ลดลงเลยนะให้รู้เทะว่าพลาดแน่นอนว่าห่างจากคำสอนนี้แล้วนะแต่ที่นี้ว่าในโลกนี้ใครคิดว่าอะไรเป็นสาระก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วนะอันนี้คือปกติว่าใครรู้เห็นคิดยังไงว่าเป็นสาระแต่ที่นี้คำสอนของเราก็บอกชัดเจนนะว่าอะไรเป็นสาระใช่ไหมตอนแรกก็คือถานก็เป็นสาระนะถ้ายังอยู่ในวะัตตะนะ ต่ใบศีลก็มีสาระนะที่จะรักษาให้อยู่ในสุขติเนี่ยนะทีนี้สมถะก็มีสาระเพราะว่ากิเลสไม่กลุ้มรุมวิปัสสนานี่ยก็มีสาระเพื่อที่จะนําออกจากกองทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้พันก็สแสวงหาศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมกันนั่นแหละเ ร, เรียกว่ามัดเรียกว่ามัด นี่แหละคือข้อปฏิบัติหรือที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นคือไตรสิกขาเพราะคําว่าพุทธศาสนาเรียกว่าประชุมย่อประมวลลงมาก็คือคําสอนที่ว่าด้วยสิกขาสามเท่านั้นเองนะอันนี้แบบย่อมากเลยนะก็ถ้าย่อไปกว่า น, นั้นอีกก็บอกว่าอย่าประมาทนะนนนก็มีเท่านี้นะหมดเวลาแล้ว